พระเจ้าบอกถึงการปฏิบัติผลของมันผลของการปฏิบัติที่เกิดว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าพูดถึงว่าการดูการเคลื่อนไหวของความคิดยับยั้งความคิดไอ้ น, นี้เป็นหัวใจหัวใจของการที่จะเสวยผลของการปฏิบัตินะ แต่ถ้าขยายความออกไปอีก <c oughs> ที่พระองค์ตรัสไวอ้อนาพิชาลุวิหารยะคือมันอยู่โดยความไม่เพ่งเล็งแล้วถ้าถ้าจิตสามารถที่จะดับอากุศลที่เคลื่อนไหวได้ตัวกิเลสหลักในใจเราที่มันเคลื่อนไหวก่อนที่จะเกิดเป็นความเป็นอากุศล สายของความโลภสายของความโกโรธสายของความหลงสายของความโลภนั่นคือตัวอภิชาอภิชาก็คือตัวที่มันอยากอยากจนไม่เกี่ยงวิธีอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้อยากจะได้จนหุดหิดไปหมดไอ้โน่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นั่นก็จะทำให้นี่ก็จะได้ ไอ้นั่นก็จะเป็นไอ้นั่นก็จะให้เป็นอย่างนั้นไอนั่นก็จะให้เป็นอย่างนี้คุอจิตมันเล็งมีความอย า, อยากอยู่แล้วแหละแต่มันเป็นความอยากชนิดที่มีเกลียวของของความน้ำหนักมันะเพิ่มขึ้นฮอกออกมาจากความอยากโดยปกติซึ่งมันเล็งออกไปไอ้นนท์ก็จะเอาไว้นี้ก็จะเป็นจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะอย่างโ น, น้นไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้เรียกว่าอภิชาพราเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไป ผลโดยส่วนรวมที่มีกระทบต่อกิเลสประเภทของความโลภคืออภิชาจะลดลงความเลงความอยากที่อยู่ในชีวิตปกตินั่นจะลดลงเรียกว่ามันจะริดรอนความอยากออกไปจากใจของเราอันนี้ประการหนึ่งทีนี้กิเลสสายประเภทของความโกรธที่ฉันเรียกว่าอัพยาปันเดนาเจตาโซ คือมันมีใจไม่พยาบาทมีใจไม่เบียดเบียนเพิ่มขึ้นกําลังของใจที่ไปปานเป็นไปในทางฝักฝ่ายของไม่พยาบาทเป็นไปในทางฝักฝ่ายของไม่เบียดเบียนเนี่ยเพิ่มขึ้นพอมีอะไรกระทบปับ๊บแม้โทสะมีอยู่โทสะนั้นกิเลสระดับกลางนั้นมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ฮอกมาจากโทสะ ความเดือดดาลจนไม่สามารถบังคับได้มันลดลงไปอาการที่ความพยาบาทหรือความจ้องจะเบียดเบียนทำลายลดลงไปนั่นนะ่ะมันทำให้เกิดขึ้นจากผลของการภาวนาถ้าใครอยู่ปกติถ้ามีอะไรมากระทบพอขัดใจปั๊บเนี่ยเราก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของพยาบาทคือจะแสดงออก และจิตก็ถูกพยาบาทครอบงำคือสามารถที่จะเท่าไรคือจิตเดิมพร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลาด้วยอำนาจของนิวรณพร้อมที่จะระเบิดพร้อมที่จะเปิดศึกแต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปอ่าไ อ, อจิตที่มันพร้อมจะเปิดศึกนั่นนหะมันหายไปลดลงไปแต่โทุศะยังอยู่นะ ตัวสะเนี่ยยังมีอยู่แต่ไอ้ตัวที่มันพร้อมจะเปิดศึกนี้มันหายไปมันลดลงไปมันไม่หายไปโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามันจะลดลงไปอาการที่ขอลดลงไปทำให้จิตที่ฝึกฝนมาเนี่ยได้มีโอกาสใช้ปัญญาพอพอมากระทบปับความโกรธมีอยู่ความไม่ถูกใจมีอยู่แต่ความที่จะ ติที่จะตกอํานาจของความพยาบาทนั้นมันหยุดตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะได้ใช้ปัญญามันจึงเกิดขึ้นอถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนนี้เรานอนอยู่บ้านเนี่ยมีปืนไว้ใต้หมอนก่อนที่จะหลับมือก็สอดไว้ใต้หมอนกําด้ามปืนไว้พร้อมที่จะเปิดศึกตลอดเวลา บางทีเสียงดังก็ดกัดกอยู่ข้างล่างไม่รู้อะไรแหละสันนิษฐานว่ามันต้องยิงก่อนนะ่ะมันต้องยิงก่อนนะ่ะแต่ตอนนี้มือเราไม่จับปืนแล้วมือไม่จับปืนแล้วแล้วก็พอมีเสียงอะไรก็กมันไม่คิดที่จะยิงแล้วและมันจะมีวิธีการโอกาสที่จะใช้ปัญญาแก้ปัญหาอย่างอื่นเช่นการศึกษาให้รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไร หรือจากสันนิษฐานว่ามันเป็นเสียงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีวิธีแก้ที่ดีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรคือปัญญาได้ถูกนําออกมาใชา้ปัญญานะ่ยได้ถูกนําออกมาใชา้แต่ถ้าไม่ฝึกถ้าว่าเป็นเมื่อก่อนนะไอ้นอนน้อนมือกำ้ังปืนเสียงแมวเดินตึกตึกตกตกตกต๊ก็จับปืนขึ้น น, นกหลอนแล้ว ข, ขึ้นลําก่อนแล้วพร้อมที่จะยิงตลอดเวลาแล้วอันนี้อัปยาปันเดนาเจตาโซ ค, คือมีใจไม่พยาบาทหมายความว่าไอ้จิต ที่มันลดตกความกระทบเหล่านั้นนะมันลดลงด้วยอำนาจของแต่โทสะไม่อยู่เดินไปเนี่ยใครกระทบอะไรมาโทสะไม่ชอบใจนี่มีอยู่แต่มันไม่ครอบงำถึงขนาดที่จะตกเป็นธาตุของข้ายาบาทถ้าปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตมันก็จะพร้อมสำหรับการอาภัยจิตมันก็พร้อมสำหรับการอาภัยนี่ตัวที่สอง ทีนี้อีกิเลสอีกตัวหนึ่งคือสายของโบหะพุทธาว่าสะโตนะอนัพิชาลุวิหะเหรยยะอภัยปันเดนะเจตาโซสโตเอกกจิตัสสะอชตังสุสมาหิตโตสัโตแปลว่ามีสติเพิ่มขึ้นอพอเราฝึกฝึกฝึกไปเนี่ยเราก็จะมีสติเพิ่มขึ้นสติที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกั้นกั้นการกระทบนั้นได้ กั้นการสวยการที่จิตของเราเพอกระทบปับ๊บแทนที่จิตมันจะไปไปอารมณ์ตกตกเป็นธาตุของตกเป็นธาตุของอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นมันกลับหยุดชะงักได้เพราะมีสติไปกั้นอยู่ไอ้สติที่เราฝึกนี่แหละมันจะไปกัน้นกั้นอาการที่จิตไหลไปสู่กระแสของบาปอันนี้เป็นผลของการปฏิบัติ อชัตังสุเอกะเอกะขะจติตัสสะอชัตังสุสมาฮิโตเนี่หมายความว่าและจิตก็อาการที่จิตมีสติมันจะทำให้จิตอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกลางได้บ่อยขึ้นจิตอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกลางก็คือว่าไม่อักคติทั้งภายในและภายนอกบ่อยขึ้นการที่จิตอยู่ด้วยความไม่เป็นความเป็นกลางเนี่ยคืออยู่ภายในภายในหมายความว่ามันในกายในใจ ด้วยอารมณ์อันใดอันหนึ่งที่เราฝึกอยู่ประจําเช่นเราฝึกลมหายใจหายใจออกรู้รหายใจเข้ารู้รหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้เวลาเราเดินไปอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตเราในยามที่มันไม่ได้คิดในยามที่มันได้ไหลไปอยู่กับอารมณ์อันอื่นอันใด น, นะมันก็จะวิ่งกลับมาอยู่ลมหายใจของมันได้บ่อยขึ้นง่ายขึ้นนี่เรียกว่าตั้งอยู่ภายในได้เวลาจิตตั้งอยู่ภายในคืออยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ที่มันแค่รู้แค่เห็นอยู่เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นกลางได้เลยเรียกว่าตั้งอยู่ภายในไอ้ตั้งอยู่อย่างนั้นน่ะทำให้จิตเรามันมีเครื่องอยู่ถ้าอยู่กับอย่างอื่นให้สังเกตถ้าไม่ได้อยู่กับลมหายใจไม่ได้อยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าไม่ได้อยู่กับการอีเรียบทย่อยไม่ได้อยู่กับการกําหนดอารมณ์อันเป็นภาวนาของกายของใจแล้วเนี่ยเวลาเราไปอยู่กับอย่างอื่นอยู่กับอย่างอื่นมันจะมีตัวปรุงแต่ง จะหาความเป็นกลางไม่ได้หรอกดีมั่งไม่ดีมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งรักบั้งชังมั่งไหลไปอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วมันก็จะปรุงไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยวันเดี๋ยวมันก็หลุดไปออกไปอยู่ที่รถหลุดจากรถไปอยู่ที่ประตูบ้านหลุดจากประตูบ้านมันอยู่ที่เกะทํางานที่ทํางานหลุดออกจากที่ทํางานมันก็ไปสามีหลุดจากสามีมไปลูกหลุดจากลูกมันไปพ่อหลุดจากพ่อมไปแม่หลุดจากแม่ไปเรยไปพี่ไปน้องไปเรื่อย ซึ่งทุกอย่างที่มันออกไปนั้นมันปรุงแต่งและมีอคติปรากฏอยู่ชอบมั่งไม่ชอบมั่งกลัวมั่งนะกลัวมั่งหลงมั่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นกลางแต่เมื่อไปอยู่ในอารมณ์เจตนลลมหายใจมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็อยู่กับอารมณ์ที่เป็นกลางภายในเพราะฉะนั้นผล นอกเหนือจากการไ อ, ไอการที่ดูอกุศลเกิดและดับไม่ตกเป็นธาตุของอกุศลไม่ปล่อยให้จิตอยู่ในอำนาจของการอากุศลที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นตัวหลักหละแต่ถ้าขยายความออกไปเนี่ยผลของมันก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจสอบจิตของเราในชีวิตจริงตามปกติเนี่ยให้ตรวจสอบดูว่าจิตของเราเนี่ยมันยังไหลฟุ้งไปกับอภิชาไหม เช่นพวกช้อปปิ้งทั้งหลายแหลเห็นอะไรไม่ได้มีข่าวว่าโอ้โนี่เขาเซลล์เท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะเงินมีไม่มีไม่รู้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่รู้แต่ให้ได้ไปให้ได้ซื้อไว้ก่อนเออให้ได้ซื้อไว้ก่อนไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นอภิชาคือมันจะเล็งพอได้เห็นได้ยินได้รู้ปั๊บจิตมันจะเล็งเล็งเนี่ยนี้ยเรียกว่าเร็งอืมการเล็งอย่างนี้แหละเรียกว่าอภิชามันก็จะลดลงมา เพราะจิตเริ่มรู้สึกไม่มีสาระเกิดขึ้นเริ่มไม่มีสาระมากขึ้นหรือไอ้พวกที่ว่าอัพยาปันเดนาเจตโซมีใจไม่พยาบาทเกิดขึ้นนั้นมันจะลดถ้าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอาการวีนนะไอ้พวกที่ไปซื้อของหรือไปเจอเจอผู้คนขับรถบนท้องถนนลังเกตดูเห็นไหมบนท้องถนนน่ะขับรถไปบางทีไอ้อีกคันหนึ่งก็หันมาแค่มองหน้าเฉย ต่เขาก็ขับผ่านไปโดยไม่ได้คิดอะไรเราก็คิดว่ามันมองหน้าเราทำไมเราก็ขัดปาดไส้าปาดขวาอะไรเงี้ยมันตกเป็นธาตุของพยาบาทก็แล้วอันี้อาการพวกนี้มันจะหายไปเพราะเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มมีเริ่มร้าสาระเพิ่มขึ้นมันจะตัดตอนเรื่องราวที่ไร้ายสาระอันมาปรุงแต่งให้จิตเป็นเดือดเป็นร้อนนี่เพิ่มขึ้นนี่ผลของการภาวนาไปง้างทรัพย์สินค้าเนี่ยบางค น, นไปจ่ายซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ไอ้ระบบคิวมันเพิ่มขึ้นแต่เราบอซื้อเสร็จแล้วเราก็มักจะต้องเอาก่อนต้องได้ก่อนต้องเสร็จก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีปากเสียงกับพวกแคชเชียร์มั่งพวกพวกนักงานขายมั่งพวกเจ้าหน้าที่มัง่งจะเจอบ่อยมีบ่อยออย่างไปนั่งในเครื่องบินเนี่ยขึ้นเครื่องอะตามเกตต่ตางๆเราจะเห็น พ่อเขาต้องบอกก็เขาเปิดปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปกับจริงมันต้องออกพร้อมกันนั่นแหละแต่เราไม่ขึ้นมาออ ก, กไม่ได้หรอกแต่เราไม่ขึ้นนะมันออกไม่ได้เออวลาเราลงอ่ะแม้เราลงเป็นคนสุดท้ายถ้าเราไม่ลงเจ้าหน้าที่มันก็ปิดประตูเครื่องบินไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องได้ก่อนข้าวกอนอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้อาการพวกนี้จะหายไปอาการพวกนี้จะหายไปจะลดลงไป อยู่บ้านปกติมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีหลานมีลูกหลายคนบางบ้านก็มีคนงานมีพนักงานมีแม่บ้านทั้งหมดเน่เป็นมนุษย์แล้วก็เราก็จะมีความรู้สึกไม่ชอบไอคนนิสัยอย่างนั้นเนี่ยเพราะอัศมิมานะในใจของเรามันตั้งทงไว้เป็นอย่างนั้นว่าฉันไม่ชอบคนแบบนี้นี่อัศมิมานะประจาตัวเรา เราไม่ชอบคนแบบนี้เราเกลียดที่สุดเลยไอ้คนอย่างนี้เราไม่ชอบเลยไอ้คนพูดอย่างนี้เราก็ไม่ชอบเลยอย่างมันมีธงอยู่ในใจหมดอะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่อยู่ในชีวิตเราในครอบครัวเราทั้งหมด่พี่น้องพ่อแม่ลุงปา้าหน้าอาทั้งหลายต่างคนต่างจิตต่างใจใช่ไหมนี่เราไปถึงปั๊บเนี่ยตอนเราเจออย่างนั้นบางทีเราก็ตั้งธงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปถึง เ, อเจอคนนี้มันต้องพูดอย่างนี้อีกเบื่อจริงๆเลยนะฮะมันไปมันตั้งมาก่อนแล้วนะนี่เรียกพยาบาท มันมาก่อนแล้วมันมาก่อนที่เหตุจะเกิดพอมาถึงปู่ว่าแล้วเอาอีกแล้วเราก็ใส่เลยใช่ไหมอ้า <c oughs> เอาวนี่เรื่องจริงเป็นความเป็นจริงของชีวิตแต่เมื่อเราปฏิบัติจเจริญจิตภาวนาฝึกฝนเจริญสติขึ้นไปอาการพวกนี้มันจะลดลงเพราะสติที่โตขึ้นมาเขาจะเข้าไปยับยั้งกั้นไว้ไม่ปล่อยให้จิตพวกนี้ เราก็จะเห็นว่าอาการที่เราเป็นเราเป็นเราเป็นในแต่ละครั้งแต่ละครา ท, ครทุกครั้งทุกครั้งที่เราเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นเรานั้นมันไร้สาระเพิ่มขึ้นอาการที่ไร้สาระพวกนั้นน่ะเราก็จะเริ่มไม่เอามันอาการอภัยมันก็จะค่อย ค, อยคอยปรากฏนี่เป็นผลจากการเจริญภาวนาทั้งนั้นและผลเหล่านี้แหละคือความสุขในชีวิต ไอ้สิ่งที่ตรงกันข้ามกันที่เป็นอยู่นั่นคือความทุกข์ความเดือดร้อนความโลนลานความวุ่นวายของชีวิตประจําวันแต่ระวังไม่ได้ตกเป็นทาตของอานาจของความโลภที่ชื่อว่าอาภิชามันก็อยู่ไม่เป็นถูกมันก็อยู่เป็นทาตของอะไรทาตของการโฆษณาชวนเชื่อรีวิวสินค้าทาตของอะไรโฆษณาทาตของแฟชั่นทาตของแบรนด์เนมทาตของอู้เยอะแยะไปหมดเลยที่มันจะวั่วเราทุกวันทุกวัน แล้วพอพอเราถอดมาได้เราก็บองเห็นว่าโอ้ยมันช่างร้ายสาระจริงๆเห็นไหมกระเป๋าก็มีอยู่แล้วพราก็ต้องหาใหม่ใช่ไหมเออพออัิญาปันเดนาเจตาโซมีใจพร้อมจะอภัยก็เหมือนกันเราก็จะเห็นกิริยาของเราที่มันร้ายสาระและมันจะถูกลดถูกหั่นถูกดิด้นรอนออกไปอันนี้เป็นผลจากการภาวนา ความมีสติก็จะเพิ่มขึ้นจะเห็นเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในชีวิตของตนเพราะ ว, วิธีนี้เราก็จะคอยสังเกตชีวิตประจำวันของเราประกอบกับใช้สติที่มีอยู่นี้ตัดอกุศลเห็นอกุศลที่เคลื่อนไหวเห็นความคิดที่เป็นอกุศลเคลื่อนไหวไม่ให้จิตที่เป็นอกุศลนั้นตกให้แม่จิตตกอยู่ใต้อานาจของอกุศล ให้อกุศลที่มันเกิดแล้วมันดับไปมั่งอย่าตกเป็นธาตุมันบ่อยมันก็จะทําให้ภูมิจิตของเราปรับตัวเองขึ้นมาเวลาภูมิจิตมันปรับตัวเองขึ้นมานี่มันมันเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณที่มันเปลี่ยนไปนะของจิตสัญชาตญาณที่มันเปลี่ยนไปของจิตนี่เหมือนหว่าคนธรรมดาเนี่ยพอเราไม่เป็นมวยใช่ไหมพอเราไปฝึกมวยอ่ะ ฝึกมวยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่ทันรู้ตัวแต่สัญชตาตญาณของการมีวิชามวยมันเกิดขึ้นจากกับเราเช่นเมื่อก่อนนี่ถ้ามีอะไรล่วงมาเนี่ยการหลบการหลีกเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติมันต้องรู้ต้องเห็นต้องแบบแต่ว่าพอมีวิชามวยแล้วเนี่ยการหลบการหลีกการป้องกันกา ร, การอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นมาเป็นธรรมชาติเราเห็นไม่นักมวยที่มันขึ้นไปชกกันบนเวทีอ่ะ เออมันจะป้องกันได้มันป้องกันได้มันหลบได้มาเลยได้ถ้าเป็นเราไม่มีวิชาเม่์เราก็หลบไม่ได้ใช่ไมแต่พราระภูมิเราไม่เหมือนของการฝึกจิตจเจริญสติต่อเนื่องไปเรื่อยๆความขยายตัวของสติสมาธิและปัญญาที่มีอยู่นั้นมันจะขึ้นไปปรับภูมิจิตของเราให้เป็นธรรมชาติแบบใหม่และไอ้ผลเหล่านี้มันไม่สามารถเกิดได้ด้วยการตั้งใจที่จะเป็น เราก็ใช้ชีวิตของเราปกติเพราะไปเห็นไอ้คนสองคนมันตบกันอุย้ยอายตายหาเลยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็รู้แล้วยังไงเราโวยอายแทนใช่ไหมแต่เมื่อมีความโกรธมากระทบเกิดขึ้นกับจิตเราอย่าว่าแต่ตบกันเลยแทงกันยังได้เลยอย่าดูที่ที่มันดาราอะไรล่าสุดเนี่ยขี่รถปาดหน้ากันปาดกันไปประมาณลงมาแทงเขาตายสองศพ เก็จับไปแล้วพระเจ้านะถามว่าเขาต้องการจังเป็นอย่างนั้นไหมไม่แต่จิตถูกอํานาจของพยาบาทครอบ ง, งา ม, มันจึงเป็นไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตเตนนิยติโลโก โ, โลกมีจิตเป็นตัวนําโลกคือตัวเราเนี่ยมีจิตเป็นตัวนําคือมันเป็นไปตามกําลังของจิตเพราะฉะนั้นจิตตอนนั้นมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรมันก็นําโลกคือเราเป็นไปอย่างนั้น มันความเสื่อมความเจริญความหายยนะความวิบัติความสำเร็จอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเกิดขึ้นด้วยกำลังของจิตล้วนๆไม่มีอย่างอื่น <c oughs> ด้วยเหตุ น, นี้แหละเมื่อเช้าจึงบอกว่าการฝึกจิตมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ทำยากเป็นเรื่องที่ทนยากมันเป็นเรื่องลำบากแต่มันเป็นเรื่องจําเป็นมันเป็นเรื่องดี มันเป็นเรื่องที่ต้องทํามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองและต้องทําเทวดามันจึงเข้ามาสอบถามพระพุทธเจ้านี่เป็นการสรุปของวันนี้นะครันเมื่อเช้าเราบอกกับพวกท่านทั้งหลายว่าเทวดานี่ยมันมาหาพุทธเจ้ามันบอกว่าไง ดุ ก, กรังดุติติดกั้นจกอกอภัยเตนะซามันยังทรรมของสมณนะของพระเจ้าเนี่ยคนโง่อภัยเตนะเรียกว่าคนไม่ฉลาดดุ ก, กรังทมยากดุดกติติกั้ง ทนยากไอ้ทนยากไหมนั่งปั๊บนี่โอ้ยพอเดินปั๊บโอ๊ยนั่งก็โอ้ยเดินก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเดินก็มันยากนมันทนยากนั่งยากแล้วก็ทนยากภะวุหิภะวุภะวุหิสัาาำพาทาลําบากมากเพราะว่าธรรมของสมณะนี่ลําบากมากเทวดาว่า เวาว่าเพราะว่าธรรมของสมณะนี่ลำบากมากยัถาบาโลวิชีดติจึงเป็นที่ติดขัดของคนโง่คนโง่ในที่นี้หมายความว่าคนที่มีบงหะชุ่มจิตห่อจิตอยู่มันเลยเรียกว่ายอมให้จมอยู่กับอาสวะนั่นแหละ ดีกว่าจะทนมานั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งเจ็บเน็บหลังยัถาบาลาวิสีดติจึงเป็นที่ติดขัดของคนโง่พระพุทธเจ้าจึงว่าตติหัง่งจะรยะสรามันยังคนโง่ปฏิบัติธรรมกี่วันก็ตามคนที่มันคนโง่นะไม่ใช่พวกเรานอะ เขาปฏิบัติธรรมไปกี่วันก็ตามเาเรียกว่าจิตตังเจนะนิวารเยถ้าไม่ยับยังยบย้งความคิดอันเป็นอกุศลได้อืมถ้ายับยั้งความคิดอันเป็นอกุศลไม่ได้ปะเดปะเดวีซีเดยียม ปะเดประเดประเ ด, ะเดนะคือในที่นี้คือในบทในบทหมายถึงในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะขณะขณะนะประเดประเดวิสีเดย์ยักสรงกับปานังวัฏสานุคโคสรางกับปานังคือความคิดทั้งหลายความคิดต่างๆที่เป็นอกุศลวัฏสานุคโคนุคโคนี่แปลว่าเป็นไปวัฏสานในอำนาจสร้างกับปานังเนี่ในความคิดนั้น เรียว่าจิตก็จะตกอยู่ในอานาจของความคิดที่เป็นอกุศลนั้นปะเดปะเดวิซีนติจะติดขัดทุกๆุกอารมณ์มันจะทะลุออกไปหาความสุขไม่ได้ทะลุออกไปหาความโศไม่ได้ทะลุออกไปหาธรรมะไม่ได้ทะลุออกไปหาความดีไม่ได้จะติดขัดหมดขังถูกขังอยู่ด้วยอานาจของอกุศลที่เกิดขึ้นและจิตตกอยู่ในอานาจของมันเนีย่ยพระพิจารณาอธิบายไว้ เพราะนั้นเราตัวหลักสำหรับที่จะให้จิตเราฟื้นคืนตัวขึ้นมาก็อย่างน้อยๆให้เห็นอำนาจของจิตไม่ตกอยู่ในอำนาจของอกุศลจิตจะต้องไม่ตกอยู่ในอำนาจของอกุศลแม้เมื่อมีอกุศลเกิดมาวันหนึ่งเนี่ยว่าเรามามีความคิดที่เป็นอกุศลความคิดไม่ดีที่มันเกิดแล้วเกิดดีเกิดกแล้ ว, ล ว, ลวเกิดดีว่าไม่เกิดสักสิบครั้งเห็นสักสองครั้งก็ยังดี เพราะการที่จิตเห็นอกุศลเกิดขึ้นที่จิตแล้วไม่ปรุงแต่งต่อจิตเห็นอกุศลเกิดแล้วอกุศลนั้นดับไปโดยที่จิตไม่ต้องไปอยู่ในอำนาจของมันแค่ครั้งเดียวจิตก็จะสะสมประสบการณ์อันนั้นซึมซับอยู่ที่จิตสะเทือนถึงญานเถาเครือของอาสวะเลยนั้นถ้าเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตนัน่นนั้นมันก็จะปรับภูมิตัวมันเองขึ้นมาถ้าจิตเป็นสิ่งที่ลอย อกุศลทั้งหลายโยคะทั้งหลายที่ผูกจิตอยู่เป็นจะเหมือนของหนักให้จิตจมอยู่เนี่ยการเห็นความคิดที่เป็นอากุศลเกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับมันเหมือนกันกับปลดปล่อยสิ่งที่ผูกกับจิตที่มันจมทําให้จิตจมเนี่ยปลดปล่อยสิ่งที่ผูกกับจิตให้จิตมันลอยตัวเองขึ้นมาลอยตัวเองขึ้นมาลอยตัวเองขึ้นมาเวลาลอยขึ้นมาเนี่ยฐานจิตสามสิบเอ็ดภูมิข้างล่างทุกติสี มีนรกเปรตอสุรกายเดริชานใช่ไหมอ่าสี่ตรงกลางมนุษย์เป็นห้าข้างบนเป็นสวรรค์หกพรหมอีกิภพท้งกรรมมาพบรูปพบอารูปพบกามาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิอารูปาวาจรภูมิภูมิจิตทั้งหลายแหลน่นี้ถ้ามันลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาจาลอยขึ้นมามันก็ลอยขึ้นมาได้จากการที่เราจะต้องไปปลดปล่อยมันนั่นแหละ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการที่ไม่ให้จิตอยู่ในอำนาจของอกุศลถ้าจิตมีประสบการณ์อย่างนี้ได้นะจงภูมิใจเถอะนั่นนะ่ะยิ่งกว่าหลวงปู่หลวงพ่ออันวิเศษถ้าเราว่าเราจะหาสิ่งมงคลเข้ามาประดับตัวของเราเนี่ยสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดก็คือการไม่ยอมไม่จิตอยู่ในอำนาจของอกุศลนั่นแหละเป็นมงคลที่สุด เพราะจะยกจิตออกมาไม่ต้องถูกขังอยู่ในนรกนรกมันจะมีกี่ขุมทักเท่ า, าไรก็ตามถ้าเราไม่ปล่อยให้จิตอยู่ในอำนาจของอกุศลรับรองได้เราจิตหลุดออกจากนรกเหล่านั้นแน่ๆและจิตก็จะลอยตัวขึ้นไปสู่สุขติภูมิจิตก็จะปรับเปลี่ยนออกไปเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะต้องรู้และต้องเข้าใจ ได้ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราการใช้ในชีวิตประจำวันจึงยากาการปฏิบัติชื่อว่ายากแล้วทนยากแล้วการที่จะได้มาปฏิบัติเนี่ยก็ยากแล้วแต่มันต้องทำเพราะมันเป็นเรื่องสาคัญแต่การนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างที่กล่าวนี้มันยากกว่าแต่เราก็จะต้องทำเพราะเป็นการปลดปล่อยจิต ให้เข้าหาความสุขปรับภูมิของจิตของเราขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พอสมควรแก่เวลาตอนท้ายเหลือสิบนาทีใครมีปัญหาถามและอีกอย่างหนึ่งการสร้างบา ร, รมีให้กับจิตการเห็นความคิดที่เป็นอกุศลเกิดได้ดับไปได้หนึ่งครั้งสะสมเป็นบา ร, รมีนะ จิตจะสะอาดขึ้นแต่ตามการปล่อยให้จิตมีอกุศลเกิดขึ้นและสําเร็จและจิตตกอยู่ในอำนาจของอกุศลนั้นหนึ่งครั้งมันก็ถูกไอ้พวกน้นจะสมเปตามสาวะทีนี้นิสัยสันดานของคนของคนเรามาจากการที่อกุศลเกิดขึ้นและจิตตกอยู่ใต้อำนาจอากุศลเกิดขึ้นและจิตตกอยู่ใต้อำนาจขอให้ท่านลองคิดดูที่เขาบอกว่าไอ้คนขี้ขโมยเนี่ย มันขโมยครั้งเดียวปะไม่มันขโมยหลายครั้งดีไม่ดีาบางคนสะสมบางคนเรียนอนุบาลนะเริ่มต้นจากขโมยดินสอเเละเกิดความภูมิใจดินสอเพื่อนนะโตขึ้นเป็นเด็กเล็กระกปากกาเป็นกระเป๋าเป็นของชายพอกลับไปบ้านก็ขโมยของแม่ในที่สุดมันเกิดความราโคลนันทิอาการผูกอย่างนี้ แล้วมันจะได้ไปคุยขโมยของที่ก็มีการป้องกันเยอะๆเช่นในเซเว่นในห้างนี่โอ้โหมันภูมิใจแล้วก็ไปคุยโมโ อ, โอวดกันเนี่ยพวกนี้มันค่อยๆสะสมค่อยๆสะสมค่อยๆสะสมแต่ทีนี้ไอการเป็นอย่างนั้นมันเป็นง่ายฮะเพราะพื้นเดิมจิตเราณขณะนี้มันถูกพวกอาสวะพวกเป็นโยคะที่มันผูกอยู่อะเยอะอยู่แล้วไง ไอ้การที่จะไม่ให้มันผูกอยู่การที่จะกลับมามองเห็นอกุศลพรมันอกุศลเกิดปั๊บแค่มันเกิดขึ้นแค่รู้ว่าอกุศลเกิดขึ้นแค่รู้ว่าอกุศลดับไปจิตไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของอกุศล น, นั้นอ่ะมันยากถ้าไม่มีสติกับสมาธิพอสมควรนั่นผู้ที่ไม่ได้ฝึกอ่ะใครจะเก่งแค่ไหนก็ช่างถ้าไม่ได้ฝึกไม่สามารถมันเป็นได้แค่พูด่ มันเป็นได้แค่พูดพอมีอะไรมากระทบปับ๊บอกุศลก็เกิดจิตก็ตกอยู่ใต้อกุศล น, นั่นแหละพออะไรกระทบปับ๊บอกุศลก็เกิดจิตก็อยู่ใต้าอากุศล น, นั่นแหละถ้าไม่ได้ฝึก น, นอย่างพวกเราเราเนี่ยที่มาไม่มีคําถามเพราะเราฝึกฝึกแล้วพอจะมาพูดเราก็เข้าใจและก็รู้ดีว่ามันคืออะไรในยามจิตเราปกติเนี่ยสังเกตเนี่ยมันจะแช่มชื่นสบายใจพอยามที่มันมีอกุศลเนี่ยมันจะอึด งุนงา น, ง, า น, ง, านงุดงิดเออพอ ต, ตอนนั้นตั้งสติกลับมาเลยอ๋อนี่เป็นอกุศลถอยกลับมาถ้าถอยกลับมาแล้วมันมันมันยังไม่สามารถถอยกลับมาอย่างสนิทใจได้ก็ยกจิตเข้าไปเหมือนเต่าหดหัวยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์หลักเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเคยปฏิบัติลมหายใจยกจิตเข้าไปสู่ลมหายใจทันทีเอาลมหายใจมาตั้งเป็นตัวที่ถูกรู้และจิตแค่รู้ลมหายใจออกแค่รู้ลมหายใจเข้า แค่รู้ลมหายใจออกแค่รู้ลมหายใจเข้าไปสักระยะหนึ่งและดูว่าอากุศสที่เกิดอยู่นั้นเป็นอย่างไรมันหายไปก็รู้ย้ำลงตอกหัวมันไปว่ามันดับไปแล้วอืมมันดับไปแล้วก็รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆอล้วพระพุทธเจ้าบอกเหมือนกับไอเตามันหดเข้าไปในกระดองไอสุนัขยิ่งจอกยืนอยู่ข้างนอกยังไงยังไงมันก็กินเต่าไม่ได้เข้าใจเปล่าเออ ต่าอยู่ในกระดองไม่พลวัวออกมาไม่พลวอะไรออกมาเลยอยู่ในกระดองไอสุนักยี่จอกมันยืนจ้องจะคำจะขับขาขับปัวมันมันไม่มีโอกาสเดินวนไปวนมามันก็ท้อใจเดินจากไปเองเหมือนกับอกุศลที่เกิดถ้าจิตเราไม่ไปมดุดไปจมไปแช่ไปปรุงแต่งต่อมันหลุดยกจิตเข้าไปอยู่กับลมอารมณ์กับลมหายใจเสีย พอยกจิตกับลงุงลงมาใจปับ๊บข้าออกรู้ลงมาใจออกรู้เข้าวรู้ออกรู้ข้ารู้ออกรู้ข้า ร, ารู้เดี๋ยวมันก็ดับไปเองเดี๋ยวมันก็ดับไปเองเพอมาดับไปเองเราก็อย่าปล่อยโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หายไปหันกลับมาดูมันดับไปแล้วสร้างความแช่มชื่นอกุศลนี้เกิดขึ้นและดับไปบ่อยๆโดยที่จิตเราไม่ตกอยู่ในอำนาจให้ฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าว่าวิตตุปู ปัสมเมรโตมันจะเกิดความยินดีในความสงบที่อะกุศล น, นั้นดับไป น, น, นั่นนี่ภูมิจิตมันจะเปลี่ยนขึ้นมาทั้งแบบแนี้เป็นธรรมชาตินี่พูดก้าวลูกหน้าไว้เมื่อเราเห็นอกุศลเกิดขึ้นดับไปบ่อยๆโดยที่จิตไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของอกุศลมันจะเกิดวิตกูปัสมเมรโตคือเกิดความยินดีในความสงบที่อกุศลมันดับไปนจิตจะเกิดความยินดีในความสงบที่อกุศลดับไปเรียกว่าอะไร เรียกว่าเกิดธรรมะฉันทะฉันทะในธรรมปรากฏขึ้นจิตภูมิจิตนั้นไคโอปรับตัวขึ้นมาเยอะมากมันเดยทาให้จิตที่ที่มีฉันทะในมีความมีความยินดีในความโสมอันเกิดจากอากุศลดับจิตนี้นะมันเป็นจิตที่อ น, นัพพิชาลุวิหารยะเป็นจิตที่อยู่วยความไม่เพ่งเล็งเลยและมันเป็นจิตมันสอดรับกันหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย มันจะเป็นจิตที่อภัยาันเดนะจิตสสเป็นจิตที่พร้อมจะอภัยเลยเรียกว่าตัดเวรตัดภัยได้เลยแล้วก็จะเป็นจิตที่มีสติแล้วมันน่าทำไหมละ่ะเออน่าทำมากเลยสาธุเออน่าทำมากก็สาธุอ้า อา้าวยมรับพรนะตั้งใจรับพรพรที่ให้เนี่ยเป็นแค่กำลังใจแต่พรที่แท้จริงก็คือนำสิ่งที่พูดนี่ไปใช้ในชีวิตจริงในปฏิบัติมันก็จะเกิดเกิดยิ่งกว่าพรที่ให้อิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเบวะสมิจัตุสเพปูเรนตุสังกปา จนโทปนารโสยธามาิโชติราโสยถาสิทธมัทตุสิทธะมัทุสิทธมัทตุอิทังพลังเอตสัมิงรัตนตยัตสัมิงสัมปสสธนเจตโตสกตวพุทธนังโอทั้งุตมมังวังหิตังเดวมนุสสานังบุตเถเจนโสธินาณัตสันตุปัวาสเบดุขาวุปัสสมนตุเต สัคตวะธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปัสมนังธรรมเตเจนโสธินานัทัณตุปัตถวาสเบผยาวูปัสมเณตุเตสกคตวะสังครัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเดยังปะหุเดยังสังฆเตเจนโสธินานัทัณตุปัตถวาสเบโรคาวูปัสมเณตุเต ทุกขโรคพยาเวราโซกาสัตุจุปัฏวาอะเดกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาศะสัตโตชยสิทธิธนังลาพังโสที่ภะกยังทุกขังพลังสิริงายุจาวันโดจะโผคังวุติจะยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเต